ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบันนะครับในวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่สี่นะครับผมขอทบทวนตั้งแต่ชีวิตพระเยซูตอนสามขวบห้าขวบสิบขวบและสิบสองปีนะครับขอพี่น้องได้มีโอกาสกลับไปแล้วก็ฟังท่อนตอนเก่าๆนะครับก่อนๆหน้านั้นในวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของพิธีปัสขาครับ พิธีบัสการครับได้บันทึกไว้อยู่ในชีวิตของพระเยซูในพระธรรมลูกาบทที่สองข้อที่สี่สิบเอ็ดจนถึงข้อที่ห้าสิบเอ็ดถ้าพี่น้องมีโอกาสนะครับก็เปิดพระคัมภีร์ไปร่วมไปด้วยนะครับในข้อที่สีเอ็นั้นกล่าวว่ามารีและโยเซฟนั้นได้มาร่วมพิธีบัสตาที่เยรูซาเล็มนั้นเป็นประจำทุกปีเจนได้นะครับว่าครอบครัวของโยเซฟมารีนั้นรักพระเจ้ามากเป็นคนที่เคร่งครัดในพระาศาสนาในาศาสนายิวเน้นให้เห็นว่าบิดามารดาพระเยซูนั้น สมเดินทางมาเป็นประจำทุกปีนะครับตามบทบัญญัตินั้นจะไม่มาก็ได้แต่ว่าโยเซฟอยากมาเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าพิธีปัสคานี้เป็นพิธีที่สำคัญมากขนาดไหนสำหรับชาวยิวนะครับผมอยากจะอาจะ่านพระเจ้าในพระธรรมอพยพ บ, บทที่สิบสองข้อหนึ่งถึงข้อสิบสี่นะครับให้พี่น้องฟังจะจะอ่านในลีลาของการที่เราจะทำความเข้าใจได้นะครับ แล้วก็เกิดความเข้าใจที่ดีมากขึ้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนในประเทศอียิปต์ว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสําหรับเจ้าทั้งหลายให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่สําหรับพวกเจ้าจงสั่งชุมนุมชนอิสราเอลว่าในวันที่สิบเดือนนี้ให้ผู้ชายทุกคนเตรียมลูกแกะครอบครัวและตัวตามตระกูลของตนถ้าครอบครัวใดมีคนน้อยกินลูกแกะตัวหนึ่งไม่หมดก็ให้รวมกัน รวมกับเพื่อนบ้านที่เป็นที่อยู่ใกล้เคียงกันเตรียมลูกแกะตัวหนึ่งตามจำนวนคนตามที่เขาจะกินได้กี่มากน้อยให้นับจำนวนคนที่จะกินลูกแกะนั้นลูกแกะของเจ้าจะต้องปราศจากตำหนิเป็นตัวผู้อายุไม่เกินหนึ่ ง, งปีเจ้าจงเอามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะจงเก็บให้ดีจนถึงวันที่สิบสี่เดือนนี้แล้วในเย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของคนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะของเขา และเอาเลือดทาที่ไม้วงกบประตูทั้งสองข้างและไม้ข้างบนณเรือนที่เขาเลี้ยงกันนั้นในคืนวันนั้นให้เขากินเนื้อปิ้งกับขนมปังไรเชื้อและผักรสขมเนื้อที่ยังดิบหรือเนื้อต้มอย่ากินเลยแต่จงปิ้งทั้งหัวและขาและเครื่องไนด้วยจงกินให้หมดอย่าให้มีเศษเหลือจนถึงเวล า, ชาวเช้าเศษเหลือถึงเวล า, ชาวเช้าก็ให้เผาเสียเจ้าทั้งหลายจงเลี้ยงกันดังนี้คือให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้เท้าไว้และรีบกินโดยเร็ว การเลี้ยงนี้เป็นปักคาของพระเจ้าเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์และเราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงของอียิปต์เราคือพระเจ้าแต่เลือดที่บ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสาคัญสําหรับเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มีภัยพิบัติ บ, บังเกิดแก่จเจ้าขณะที่เราประหารชาวอียิปต์ วันนี้จะเป็นวันที่ระลึก fi. สำหรับเจ้าให้เจ้าทั้งหลายถือไว้เป็นเทศกาลแด่พระเจ้าชัว่วชาติพันธ์ของเจ้าเจ้าชงฉลองเทศกาลนี้และถือเป็นกฎฐาวนพี่น้องครับคำที่สําคัญที่สุดในพระคำพีตอนนี้นะครับก็คือคําว่าเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปครับประโยคที่ว่าเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปคําที่สําคัญที่สุดในประโยคนี้ก็คือคําว่าผ่านเว้นซึ่งเป็นความหมายของคําว่าปัสคาครับ นะครับพาสนะครับหรือปัสคานะครับหรือ Pass Over ใเนี่ยไปสังกตษนั่นก็คือการผ่านเว้นผ่านเว้นของอะไรครับผ่านเว้นที่เกิดจากพูดแห่งความตายนั้นได้ข้ามและผ่านเว้นครอบครัวของชาวอิสราเอลที่ได้เอาเลือดของแกะนะครับไปป้ายไว้ที่ประตูบ้านพี่น้องครับนี่คือพิธีปัสกาครั้งแรก เราจะทราบว่าพระเจ้าได้ทรงส่งทูตมรณะมาประหารบุตรหัวปีของทุตครอบครัวในอียิปต์บุดหัวปีนี้ก็รวมทั้งมนุษย์และสัตว์ด้วยนะครับและพระเจ้าสั่งโมเสสชัดเจนนะครับและในขณะที่พวกเขาดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังเป็นจุดเริ่มต้นของปัสการครับพี่น้องครับคนยูในครอบครัวจะรับประทานเนื้อแกะและขนมปังไม่ใส่เชื้อกับผักขมผักขมเป็น ผักที่เตือนใจชาวยิวให้ระลึกถึงความขมขื่นของตนขณะที่เป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์พวกเขาต้องรับประทานอาหารมื้อนี้โดยแต่งกายในชุดเดินทางสวมรองเท้าเรียบร้อยมิใช่สวมชุดที่อยู่กับบ้านเป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะออกจากประเทศอียิปต์ทั้งนี้ชาวฮิบรหูหรือชาวยิวนั้นจะรับประทานอาหารมื้อนั้นเป็นมื้อสุดท้ายในประเทศอียิปต์ และออกเดินทางจากอียิปต์ทันทีในคืนนั้นเองเมื่อพระเจ้าสัดบัญชาพวกเขาพงยังสัตให้โมเสสสั่งให้คนยิวนั้นฉลองเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกา t นี s เป็นประจำทุกปีนะครับครั้งหนึ่งการเฉลิมฉลองก็กินเวลาถึงเจ็ดวันตลอดนะครับหลายร้อยหลายพันปีที่ผ่านมานี้ชาวยิวได้เชื่อฟังพระเจ้าและรักษาพิธีปัสกาอย่างครบถ้วน ตามที่พระเจ้าได้สั่งไว้ในหนังสืออพยพปัตการที่เองครับก็คือปัสกาที่พระเยซูนะครับกําลังจะไปร่วมในบทที่สองข้อที่สี่สิบสองตอนนั้นเองพระเยซูทรงพระชนมายุได้สิบสองพันษาครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเบื้องหลังของพระธรรมดูกาในวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับหลายเลายครั้งเราได้รับคําเตือนสติ ว่าชีวิตของคริสเตียนเรานั้นต้องออกจากอียิปต์ครับอียิปต์เป็นความสะดวกสบายมากกว่าถิ่นธุรกันดาลที่เขากาลังจะเดินไปแต่อียิปต์นั้นเขาอยู่ในฐานะที่เขาเป็นทาสเขาเป็นทาสของอียิปต์ในขณะที่พระเจ้าได้ปลดปล่อยเขาให้เขาจะเป็นอิสระแต่นี้นถึงนธุรกันดาลครับชีวิตอิสระนั้นก็ยากนิดหน่อยชีวิตอิสระนั้นก็จะต้องมีความทุกข์บ้าง แต่ความทุกข์และความทุกข์ยากต่างๆเหล่านั้นก็ทําให้เขาจะต้องเรียนรู้ในการที่เขาพึ่งพระเจ้าเพราะพระเจ้าของอียิปต์นั้นเป็นพระเทียมเท็จแต่พระเจ้าของอิสราเอลนั้นเป็นพระเจ้าที่ยังแท้พี่น้องครับหลายหลาครั้งทีเดียวเราจะต้องฝืนใจนะครับตัดสินใจและกินอาหารมื้อสุดท้ายในอียิปต์นั่นคือพิธีเริ่มต้นของปัสกาเราต้องตัดสินใจที่จะทิ้งชีวิตเก่า เราต้องตัดสินใจที่จะทิ้งนิสัยเก่าๆความบาปเดิมๆความคิดเก่าๆที่ไม่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้าเป็นความผิดคิดความผิดความบาปเป็นความคิดแบบโลกที่บางครั้งอาจถูกบ้างไม่ถูกบ้างไม่แน่ใจบ้างแต่คนเขาถือปฏิบัติมาอย่างนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับพระวจนะของพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเราต้องกลับใจเราจะต้องตัดสินใจที่จะเดินออกจากอียิปต์ครับแพี่น้องครับ เรารู้นะครับว่าภัยีิบัติประการแสดงให้เห็นว่าเจ้าของอียิปต์คือฟาโร่ไม่ปรารถนาที่จะให้คนชาติอิสราเอลออกจากอียิปเลยเช่นเดียวกันครับเจ้าของโลกนี้คือมารซาตานมันก็ไม่ปรารถนาที่จะให้เราเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้ามันทำทุกอย่างที่จะทำให้เกิดการกีดขวางอุปสรรคทุกอย่างที่จะไม่ให้เรากินอาหาร มือสุดท้ายในอียิปต์ก็คือปัสกาเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะผูกมัดชีวิตของเราอยู่อาจจะเป็นความโลภนะครับที่ไม่รู้จักพอหรืออาจจะเป็นความบาปหลายสิ่งหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวของเราขอให้เราอธิษฐานและทิ้งสิ่งเหล่านั้นเสียและเริ่มปัสคาเล็กๆในชีวิตของพวกเราหลายๆครั้งไม่เป็นไรครับขอพระเจ้าช่วยเราเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านอาเมน